บัดนี้จักได้แสดงทำมรกคาสืบต่อไปจงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเขารบเถิดหัวข้อที่สผู้ละทิ้งกิจที่ควรธทรรมพระพุทธภาสิทธพระองค์ทรงตรัสว่ายังหิกิจจังตต ะ, ะปะวิถัง อกิจจังปณะกริยติอุณลานังปมัตตานังเตสังวัพันติอาสวาเยสัญจะสุสมารธานิจังกายะคตาสติอกิจจังเตนะเสวันติกิจเจสาตดจาการิโนสัตานังสัมปชา น, านัง อัถังคัดฉันติอาสวะซึ่งแปลว่าผู้ใดละทิ้งสิ่งที่ควรทำแต่ไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่ผู้นั้นผู้มีมานะจัดประมาทมัวเมาส่วนผู้ใดปรารบกายกัคตาสติอยู่เนืองนิดผู้นั้นเป็นผู้ทำติดต่อในสิ่งที่ควรทำ ไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำอาสวะทั้งหลายของท่านเหล่านั้นผู้มีสติสัมปชัญญะย่อมตั้งอยู่ไม่ได้อธิบายว่าสิ่งที่ควรทำคือสิ่งอันเป็นหน้าที่ของตนสิ่งที่ไม่ควรทำคือสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ปัญหาว่าอะไรคือหน้าที่ของตนบางคนมีหน้าที่กว้างขวาง มีความรับผิดชอบมากหน้าที่ย่อมเกี่ยวข้องหรือเป็นผลต่อเนื่องกันมาจากความเป็นเช่นบิดามารดาเป็นครูบาอาจารย์เป็นบุตรธิดาเป็นมิตรสหายเป็นบ่าวเป็นนายเป็นสมณะเป็นอย่างใดย่อมมีหน้าที่ของอย่างนั้นติดตามมาด้วยเสมอไปเมื่อเราเป็นหลายอย่างก็ต้องทําหน้าที่หลายอย่างการทําหน้าที่ให้สมบูรณ์นั่นแหละ คือการทำกิจที่ควรทำส่วนการทอดทิ้งหน้าที่เป็นการละทิ้งสิ่งที่ควรทำการไปก้าวกายหน้าที่ของผู้อื่นพูดพร่มถึงกิจอันไม่ใช่หน้าที่แสหาโทษของผู้อื่นในบุคคลอันไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่ในความรับผิดชอบของตนเป็นต้นเรียกว่าทำสิ่งที่ไม่ควรทำคนที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะเป็นผู้มีมานะจัด สำคัญตนว่าเป็นผู้รอบรู้ไปเสียทุกอย่างเป็นผู้ประมาทและมัวเมาในตนหลงตนเข้าใจผิ ด, ผดว่าใครก็มีความรอบรู้สู้ตนไม่ได้จึงชอบเที่ยวกวร้าวในหน้าที่ของผู้อื่นละทิ้งสิ่งที่ควรทำในหน้าที่ของตนไปทำในสิ่งอันไม่ควรทำในหน้าที่ของผู้อื่นอาสวะคือกิเลสมักดองย่อมเจริญขึ้นแก่บุคคลประเภทนี้ คนที่รู้สิ่งอันเป็นหน้าที่ของตนทำสิ่งอันเป็นหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์นั้นแม้จะบกพร่องในเรื่องอื่นก็ไม่มีใครตำหนิส่วนผู้ซึ่งรู้อะไรอื่นทำอะไรอื่นสารพัดอย่างแต่บกพร่องในหน้าที่ของตนวินยยชนย่อบตำหนิได้การดูคนวัดคุณค่าของคนเราต้องดูที่เขามีความรับผิดชอบในหน้าที่เพียงใด คนที่ดีที่สุดคือคนที่ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดตามฐานะที่ตนเป็นส่วนผู้ใดปรารกกายยกตาสติอยู่เนืองนิดทำติดต่อในสิ่งที่ควรทำไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมออาะวะของท่านเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้กายยกตาสติคือสติอันเป็นไปในกายพิจารนาว่าเป็นของไม่งามโสโครก เป็นที่ตั้งที่รองรับสิ่งปฏิกูลนาน า, นาประการการเจริญกายกตาสติเป็นอุบายบรรเทาราคะโทสะและโมหะและให้ราคะโทสะโมหะสิ้นไปในที่สุดได้เสวย อ, อมตะรสสมดังพระพุทธภาสิทธว่าภิกษุทั้งหลายทำอันเอกอย่างหนึ่งคือกายกตาสติอันบุคคลอบรมแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชใหญ่เพื่อประโยชน์ใหญ่เพื่อความเกษมจากโยคะใหญ่เพื่อสติสัมปชัญญะใหญ่เพื่อได้ญาณทัศนะเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพื่อทำให้แจ้งผลแห่งวิชาและวิมุตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้บริโภคกายกตตาสติผู้นั้นชื่อว่าได้บริโภคอมตะ ผู้ใดไม่ได้บริโภคกายยคตาสติผู้นั้นชื่อว่าไม่ได้บริโภคอมตะผู้ใดเสื่อมจากกายยัคตาสติชื่อว่าเสื่อมจากอมตะผู้ใดชอบกายยคตาสติผู้นั้นชื่อว่าชอบอมตะท่านผู้ต้องการความละเอียดแห่งสังวร น, นากายยัคตาสติโปรดดูวิสุทธิมัชชบบาลีภาคสองหน้า14หรือสาระสำคัญแห่งวิสุทธิมัช วงเลบ็บสบัพภาษาไทยของขาพเจ้าระหว่างหน้า114ถึง120ดันเถกบุคคลผู้มันประกอบเนืองเนืงซึ่งกายกตาสติย่อมละความยินดียินร้ายเสียได้มีจิตใจมั่นคงอดทนอย่างยิ่งต่อสิ่งอันน่าสะพึงกลัวแม้จะเป็นอันตรายปานดังว่าจะฆ่าชีวิตไป เป็นผู้มีความอดทนอย่างยิ่งต่อหนาวร้อนหิวกระหายบัณฑิตผู้ไม่ประมาทพึงใส่ใจเจริญกายยกตาสติซึ่งมีอานิสงส์อย่างมากมายข้อว่ากิจเจสาตัจการิโนผู้ทำติดต่อในสิ่งที่ควรทำนั้นทันหมายความว่ามีความเพียรเป็นไปสม่ำเสมอไม่ทำทำหยุดหยุดโดยองค์ธรรมหมายเอาตัว วิริยารัมพะนั่นเองคุณข้อนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในความสำเร็จผลทั้งทางโลกและทางธรรมขาดคุณข้อนี้เสียแล้วบุคคลจะทำงานใหญ่ให้สำเร็จไม่ได้เป็นอันขาดการศึกษาเล่าเรียนการทำงานการปฏิบัติธรรมย่อมต้องอาศัยการกระทำติดต่อทั้งสิน้นจะเป็นการเวลาสั้นยาวเพียงใดก็สุดแล้วแต่จิตที่ทานั้นมากน้อยเพียงใด หรือใหญ่เล็กเพียงใดแม้ทำได้วันละเล็กละน้อยก็ขอให้ทำาผลสำเร็จย่อมมีมาเองอย่างแน่นอนการทำความดีก็ต้องทำติดต่อเหมือนกันหยุดไม่ได้เพราะเมื่อหยุดทำความดีใจย่อมขาดอาหารและจะน้อมไปในบาปอาสวัตทั้งหลายของบุคคลผู้เจริญกายกตาสติผู้ทำติดต่อในสิ่งควรทำไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะ ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้คือย่อมถึงความสิ้นไปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่ชาติยาวันนครพัทยาทรงปรารภิกษุชาวนครพัทยามีเรื่องย่อดังนี้ภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้ขวนขวายในการประดับเขียงเท้าทำเองบ้างให้คนอื่นทำให้บ้างซึ่งเขียงเท้าทาด้วยหญ้าธรรมดาบ้างทำด้วย ป่องยาบ้างทำด้วยต้นเปลงบ้างทำด้วยผ้ากำพลบ้างละทิ้งอุเทศคือการศึกษาเรา่เรียนปริปุชชาคือการไต่าถามอาธิศีนอินทริยะสังวรอธิจิตและอธิปัญญาวงเล็บสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาภิกษุทั้งหลายอื่นเห็นแล้วติเตียนภิกษุชาวพัทยานั้นว่า สนใจในกิจอันไม่ใช่ของสมณะเป็นต้นแล้วกราบทูลแด่พระศาสดาพระพุทธองค์ทรงติเตียนภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายมาบวชในธรรมวินัยของเราด้วยจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งแต่มาขวนขวายในกิจอีกอย่างหนึ่งอันไม่ใช่จุดมุ่งหมายในการบวชพวกเธอทำกรรมอันไม่ใช่กิจของตนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่า ยังหิกิจจังตระทะประวิทธัทงเป็นอาธิมีนัยะดังพรณ น, นามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุชาวเมืองพัทยาบรรลุอรหัตผลแล้วแลวอันนี้ก็เป็นข้อคิดในกิจควรทาหรือไม่ควรทาในแต่ละบุคคลหรือภาวะของตน อยู exactly. ่ในภาวะไหนควรจะทำอะไรก็เป็นสิ่งเตือนใจโดยเฉพาะการทำสืบต่อหรือติดต่อจะน้อยจะมากก็ตามเมื่อทำไม่หยุดมันก็ให้ผลตามเหตุตามปัจจัยที่ทำนั้นอันนั้นมันก็เป็นเหตุเป็นผลให้เราพิจารณาได้อยู่แล้ว การทำแล้วทิ้งไปบันขอมีข้อเปรียบเทียบให้เราเห็นชัดเจนท่านจึงอุปมาเหมือนเราปลูกต้นไม้แล้วไม่ได้ไปดูหลายวันตายก็มีหรือเกือบจะตายก็มีไม่ตายก็แทบแย่ เ, ยเขาเรียกว่าปางตายนี่ เ, นเปรียบเทียบกับการปฏิบัติการปฏิบัติที่ไม่สืบต่อนะ จับจับวางวางมันก็ไม่เจริญงอกงามเหมือนต้นไม้ที่ขาดเอาใจใส่ถ้าทำติดต่อกันถึงอย่างไรมันก็มันก็ไม่ตายน้นความดีถ้าทำไม่หยุดความดีก็ไม่ตายแต่ถ้าทำแล้วหยุดหยุดแล้วทำก็เหี่ยวแห้งเฉาไปตายได้เหมือนกั น, เ, นเพราะอะไรความชั่วเข้ามาแทน เหมือนกับต้นไม้พอต้นไม้ตายหญ้ามันก็รกหญ้ามันขึ้นมาแทนมองหาต้นไม้ไม่เห็นหัวข้อที่สข่ากิเลสเพียงดังมารดาพระพุทธภาสิตมาตรังปิตรางขันตวาราชาโนทเวจะกัติเยทัดถังสานุจรัง พันตัวอะนีโคยาติพรามโนแปลว่าบุคคลฆ่ามารดาบิดาได้แล้วฆ่าพระราชาทั้งสองพระองค์ได้แล้วฆ่าแว่นแคว้นพร้อมทั้งเจ้าพนักงานเก็บสวยได้แล้วเป็นพรามผู้ไม่มีทุกข์ที่เอาไปอธิบายความว่าคำว่ามารดาบิดาก็ตามพระราชาก็ตามแว่นแคว้นก็ตามเจ้าพนักงานเก็บสวยก็ตาม เป็นคำเปรียบเทียบไม่ได้มีความหมายตรงตัวแต่หมายถึงกิเลสแต่ละอย่างดังจะอธิบายต่อไปนี้ตัณหาท่านเรียกมารดาเพราะยังสัตว์ให้เกิดดังพระพุทธภาสิตว่าตัณหาชเนติปุริสังอัชมิมานะหรืออาหางการท่านเรียกวีดาเพราะเป็นตัวความทะนงองตัวนหนึ่งบุคคลอาศัยยศและตำแหน่ง หรือความมั่งคั่งของบิดาแล้วเกิดอัศมิมาณะขึ้นว่าเราเป็นราชโอรสของพระราชาชื่อโน้นเป็นบุตรของมหาอมาตย์ชื่อโน้นของมหาเศรษฐีชื่อโน้นเป็นต้นมิจฉาทิฐิทุกชนิดย่อมอาศัยมิจฉาทิฐิสองอย่างเกิดขึ้นคือสัจตะทิฐิหนึ่งอุเฉทิฐิหนึ่งเหมือนชาวเมืองอาศัยพระราชา เพราะฉะนั้นสัจจะทิฏฐิและบุเชษทิฏฐิท่านจึงสมมุติเรียกว่ากษัตริย์2พระองค์อาจจะยตนะสิคือภายในและภายนอก6อย่างละ6มีตาและรูปเป็นต้นท่านสมมุติเรียกว่าแว่นแควนเพราะอาจว่ากว้างขวางประดุดแว่นแควนความกำนัดเพราะความยินดีที่เรียกว่านันทิราคะซึ่งอาศัยอายตนะนั้นเกิดขึ้น ท่านสมมุติเรียกว่าเจ้าพนักงานเก็บสวยจัดการสวยให้สําเร็จผู้สิ้นอาสะวะท่านเรียกว่าพราหมณ์ในที่นี้ได้แก่พระอระหันต์เพราะประหารกิเลส ท, ทั้งปวงได้แล้วมีกิเลส ท, ที่เป็นหลุดมารดาบิดาเป็นต้นจัดตัวกิเลส ท, ที่ทรงแสดงในที่นี้ได้ดังนี้คือตัณหาอัศมิมาณะหรืออหังการสัจสตทิฏฐิและอุเชตทิฏฐิ อายตนะสิบสองวงเล็บนี่ไม่ใช่กิเลสแต่มีส่วนให้เกิดกิเลสเพราะอาศัยอายตนะนี้นั่นที่ราคะตัณหาได้อธิบายมามากแล้วในที่ทั่วไปอัศมิมาณนะคืออาหางการนั้นเป็นตัวการที่ทําให้คนและสัตว์ลำพองพยองหยิ่งว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ต้องแบกกิเลสภาระไว้มากเกินไปเป็นผู้แบกโลก ตรงกันข้ามการละอัสมิมานะเสียได้เป็นความสุขอย่างยิ่งสัตสตะทิฏฐินั้นคือความเห็นว่าเที่ยงโลกเที่ยงวิญญาณเที่ยงสิ่งทั้งปวงเที่ยงยังยืนสัตเคยเกิดเป็นอะไรก็ต้องเกิดเป็นอย่างนั้นพร่ำไปไม่เปลี่ยนแปลงอุเชทิฏฐิความเห็นที่ตรงกันข้ามกับสัตสตะทิฏฐิโดยเฉพาะเห็นว่าสัตตายแล้วศูนย์ พระศาสดาหเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดตามเหตุปัจจัยเมื่อดับย่อมดับเพราะบทเหตุปัจจัยไม่เห็นว่าเที่ยงหรือขาดศูนย์อายตนะนั้นแปลว่าเครื่องเชื่อมโยงหรือเครื่องต่อคือต่อตากับลูก ป, ปูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโผฏฐัพพะใจกับธรรมารม ตาหูจมูกลิ้นกายใจจัดเป็นอายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสโพธะพระและธรรมอารมณ์จัดเป็นอายตนะภายนอกอาศัยตากระทบรูปเกิดความรู้สึกขึ้นทางตาเรียกจักขุวิญญาณการประชุมพร้อมแห่งสามประการนี้เรียกว่าพัทธะเพราะมีพัทธะเวทนาจึงเกิดขึ้นเป็นสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างตัณหาอุปาทานก็เกิดตามขึ้นมาโดยลําดับ และทุกทั้งบวชนก็เกิดขึ้นโดยนัยแห่งปฏิจจสมุปบาทนั่นที่ราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีหรือความติดใจในอารมณ์นั้นเส้นความกำหนัดด้วยความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นท่านเปรียบเหมือนเจ้าพนักงานเก็บสวยเพราะเที่ยวเก็บอารมณ์ต่างๆมายินดีและอินร้ายเมื่อบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมค่ากิเลสเหล่านี้สิ้นแล้วย่อมเป็นผู้ไม่ทุกข์ และเป็นผู้ประเสริฐเรื่องนี้พระาศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารบพระละกุลดกพัทยเทระมีเรื่องย่อดังนี้วันหนึ่งภิกษุอาคันตุกะคือผู้จรมาหลายรูปด้วยกันเข้าเฝ้าพระาศาสดาผู้ประทับนั่งอยู่ณนะที่นั่งพักกลางวันถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่สมควรแก่ตนแห่งหนึ่งขณะนั้นพระละกุนดก พัทยเถระผ่านไปไม่ไกลจากสถานที่นั้นนักพระพุทธองค์ทรงทราบวาราจิตของภิกษุเหล่านั้นวงเล็บว่ามีความรู้สึกว่าสามเณรเดินผ่านไปเพราะท่านมีร่างเล็กคล้ายสามเณรจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นภิกษุรูปนั้นแล้วหรือภิกษุนั้นเป็นผู้ฆ่ามารดาบิดาแล้วเป็นผู้ไม่มีทุกข์เที่ยวไป เมื่อภิกษุเหล่านั้นมองหน้ากันด้วยความสงสัยว่าพระศาสดาตรัสหมายความว่ากไกรพระพุทธองค์จึงตรัดพระคาถาที่ยกไว้ในเบื้องต้นแล้ววา่ามาตรังปิตรังขันตวาเป็นอาทิมีนยะดังพรนนามาแล้วพระศาสดาทรงปราบพระละกุณดกพัทิยะเถระและภิกษุเหล่านั้นตัดพระคาถาที่สองอีกว่ามาตรังปิตรัง หันตวาราชาโนทเวจะโสทีเยเวยักษะปัญจมังหันตวาอะนิโคยติพรามโนแปลว่าบุคคลฆ่ามารดาบิดาได้แล้วฆ่าพระราชาผู้เป็นพรามทั้งสองได้แล้วฆ่านิวรมีวิจิกิจฉานิวรเป็นที่หอันเป็นเช่นพางเสือโคร่งได้แล้วเป็นพรามผู้ไม่มีทุกข์ไปอยู่ข้อว่าพระราชาเป็นพรามทั้งสอง หมายเอาสัจสตทิฏฐิและอุเชตทิฏฐินั่นเองข้อว่านิวรมีวิจิกิจฉานิวรเป็นที่หอันเป็นเช่นทางเสือโครงนั้นท่านเปรียบนิวรห้าเหมือนทางเสือโครงเพราะมีไัยรอบด้านเดินลําบากเต็มไปด้วยอันตรายทางเสือโครงเป็นอันตรายแก่คนเดินทางชั้นใดนิวรห้าก็เป็นอันตรายแก่ชีวิตมนุษย์แก่ความสุขความเจริญในชีวิตแก่ความสุขสงบแห่งดวงจิต ฉันนั้นนิวรณ์ห้าคือการมันทะพยาบาทเทนามิทะอุทธจักุกุจจะวิจิกิจฉาเมื่อข่านิวรณ์ห้าด้วยอรหัตตมักขยานแล้วเป็นผู้ไม่มีทุกข์ที่ยวไปนี่ก็เป็นเรื่องข้อปฏิบัตินโดยตรงทางก็คงอธิบายก็เอาไปพิจารณาดูก็แล้วกัน โดยเฉพาะ่าสิทธิ์ที่เรียกว่าการฆ่าบิดามารดาในที่นี้นี่มันมีช่วงสมัยหนึ่งเขาโตเทียงกั น, นเรื่องภาสิทธินี้คนไม่เข้าใจคนชาวโลกนี่ก็งงเพราะไม่เข้าใจความหมายที่พระองค์ทรงตรัสแต่คนปฏิบัติก็เข้าใจเพราะทุกอย่างมันต้องมีพ่อมีแม่ ให้เกิดเนี่ยแม้แต่กิเลสมันก็มีพอมีแม่เหมือนกันเนี่ยนี่ยถ้าเป็นกุศลเนี่ยท่านบอกว่รากเงาก็คือพ่อแม่รากเงาของกุศลรากเงาของอกุศลเนี่ยก็มีเนี่ยเนี่ยแต่ในที่นี้ท่านเรียกว่าพ่อแม่หรือบิดามารดาหรือผู้มีอํานาจต่างๆเนี่ยมาช่วยสนับสนุนให้กิเลสมันมีกําลังนะ นิวรนท่านบอกว่าเหมือนทางเสือโครง่งเป็นอันตรายเนี่ยอันนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินเนี่ไม่เห็นเป็นอันตรายแล้วก็ไม่รู้บางคนไม่รู้ว่านิวรนคืออะไรด้วยซ้าไปเนี่ยนิวรนเป็นเครื่องกั้นไม่ให้บรรลุคุณธรรมเบื้องสูงหรือพูดภาษาชาวบ้านนะครไม่ให้บรรลุคุณงามความดีมันเป็นตัวกั้นตัวขวางเอาไว้เนี่ย การมชันทะความพอใจในการอันนี้ก็เป็นตัวกัน้นเป็นทางอันตรายไปไม่ค่อยรอดพยาบาทความมุ่งร้ายปองร้ายไม่มีเมตตามีแต่ปรารถนาจะประหัตประหารจองเวรจองกรรมมันก็ไม่สิ้นสุดท่านว่าเป็นทางอันตราย ทินามิธะเนี่ยอันนี้ก็ทําให้เครือบเคริ้มเหมือนคนเามากัญชาเนี่ยดูเหมือนกับสบายเหมือนกันนะแต่มันก็ไม่ปลอดภัยเนี่ยเป็นคนไม่เอาเรื่องเหมือนกับคนมีความสุขถ้าได้สุกกัญชาแล้วก็ยิ้มแต่ถ้าไม่ได้ดูดแล้วก็อารมณ์เสียเหมือนกันนะเนี่ยทินามิทะเหมือนกันเนะีถ้าง่วงมันก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรแต่หายง่วงเมื่อไร่กิเลสเข้ามามันก็เอาแหละเนี่ย ก็เล่นงานอีกเนี่ยอุทธะจากกุกุจะเนี่ยความฟุ้งซ่านเนี่ความฟุ้งซ่านลำคาญใจมันก็เป็นนิวรณ์อันหนึ่งนี่มันก่อกวนก่อกวนไม่ให้สงบเนี่ยคือถ้าทำใจให้เห็นสัมมาทิฏฐิหรือลงสู่สัมมาทิฏฐิได้เนี่ยมันก็จะก่อกวนทิ่มแทงเนี่ยเหมือนเรามานั่งนี่แหละ นั่งถ้าเราไม่มีทรมาช่วยมาเป็นกําลังหรือเป็นอาวุธมันก็สู้มันไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยพอมันมีหน้าที่ที่จะก่อกวนทำให้เกิดความรำคาญแย่น่นแย่นี่เนี่ยมันทำให้เกิดความรำคาญนั่งไม่เป็นสุขนะ แล้วก็ปวดโน่นปวดนี่เจ็บโน่นเจ็บนี่คันโน่นคันนี่แล้วก็ร้อนแล้วก็หนาวแล้วก็เย็นสารพัดมันแย่ <laughs> มันทำให้เกิดความลำคาญเนะี่ยต้องมีรรมทาทำเป็นอาวุธเป็นสิ่งที่ต่อสู้วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่ปักใจอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันสงสัยไปตะพึดสงสัยโน่นสงสัยนี่มันก็ ทำให้ลำบากมันก็เลยไม่ปักใจจะเอาอะไรจะทาอะไรมันไม่ปักใจบ่จะสงสัยเนี่ยโดยเฉพาะในที่นี้เท่ากับสงสัยแม้ทั้งในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตัวนี้ยังอันตรายใหญ่บางทีหลวงพ่อชาเนีกราบท่านอยู่ก็ยังสงสัยท่านอยู่เลยมันก็มีเลยคนกราบท่านทุกวันทุกวันก็สงสัยอยู่ก็มีเนี่ย ดังการที่จะชำระอันนี้ได้นีน่ก็ต้องอาศัยทำรรพิจารณาไปแต่ละอย่างละอย่างทำแต่ละข้อแต่ละอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่ามันมีปฏิปักษ์ต่อกันเนเหมือนที่ท่านบอกว่ามันมีดำมีขาวนั่นแหละเนี่ยทำที่เป็นฝ่ายดำมันก็ต้องมีฝ่ายขาวมาแกเ้เหมือนน้ําสกกรปมันก็มีน้ำสะอาดที่จะมาชำระล้างไล่ออกไปเนี่ย ทรรมนี่ก็เหมือนกันเนี่ยในแต่ละข้อจะมีอะไรมาแก่ท่านกา็ให้เรานะพิจารณาถึงธรรมที่จะแก้กันได้ซึ่งเราก็ได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆนะมันตรงกันข้ามเนะี่ยเอาไปคิดพิจารณาเอกก็แล้วกันถ้าป้องกันหรือขจัดมันได้แล้วนะแต่ว่ามันเป็นสุขไม่มีทุกข์เที่ยวไปนี่ นก่ยืนเดินนั่งนอนหรืออยู่ที่ไหนมันก็เป็นสุขถาปราศจากนิวรณ์เนี่ยห้าเท่านี้แหละแต่มันก็เป็นสิ่งที่ยากยากมากอย่เนี่ยอันนึงว่านิวร์นี่ถ้ามันไม่หมดเหมือนคนไม่พ้นจากหนี้ไดยยังมีหนี้อยู่เนี่ยจะต้องใช้หนี้ใช้หนี้เขาหรือเหมือนคนถูกจองจำยังไม่พ้นโทษ มันก็ยังไม่มีความสุขนะหรือคนป่วยยังไม่หายก็หาความสุขไม่ได้แล้วก็ต้องหาวิธีหาวิธีป้องกันไว้ดีกว่าเหมือนเรารู้ว่าโรภาคภัยไข้เจ็บมันมีอยู่จริงแต่ว่าวิธีการป้องกันมันก็มีอยู่เท่าที่ได้ถ้าไม่ไหลไปตามความอยากเบื้องต้นที่ท่านบอกเนี่ย เหตุปัจจัยมันมีละสิ่งที่ควรละทำในสิ่งที่ควรทำเนี่ยที่เราเรียกว่าถ้าเป็นร่างกายก็อาหารกับสุขภาพใช่ไหมเนี่ยถ้ารู้จักควบคุมเนี่ยเรื่องอาหารอะไรมันแสลงนีถึงมันเป็นมันก็เป็นไม่มากหรอกเป็นไม่มากนะถ้าเอาอาหารที่แสลงเข้ามานอ่น้อยมันก็มากมันทำให้เพิ่มขึ้นเจริญขึ้นเนี่ย นี่วอนี่ก็เหมือนกันถ้าเรามีธรรมะคอยป้องกันถึงมันเข้ามาก็เข้ามาไม่ได้เต็มที่นี่เพราะมีธรรมเป็นเกาะเป็นที่ป้องกันอย่างพยาบาทนี่ก็เหมือนกั น, นถ้าเรามีเมตตาแผ่เมตตาเรื่อยๆแผ่เมตตาตนเองแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแผ่เมตตาด้วยสติด้วยปัญญาพิจารณาอยู่เรื่อยๆมองใน แง่ดีนั่นแหละนะว่าพยายามมองในแง่ดีแม้ในสิ่งที่ไม่ดีในคนที่ไม่ดีอะไรข้อตามนะก็พยายามมองให้ดีมันมีผลต่อจิตใจของเรานะี่จิตใจเราจะได้สบายนะถ้ามองในแง่ร้า ย, ายนิดเดียวมันก็ไม่สบายนะถ้ามองในแง่ดีมันก็มันก็ดีไปหมดอย่างที่ท่านว่านะ่สิ่งที่น่าจะลาคาญถ้ามันมองในแง่ดีมันก็ไม่ลาคาญเนนะี่ย ถ้ามองผิดเห็นผิดมันก็ลำคาญนี่นี่กบเกลียดล้อมก็ลำคาญนะบางทีเนาะมันก่อกวนมันบางท่านก็บอกว่ามันทําหน้าที่มันก็มีหน้าที่ที่ต้องทำของมันเนี่เรามีปัญญาก็ถ้าลาคาญมันก็หลบหลบหน่อยก็ได้ไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดมันนะหาวิธีเอา ถ้ามันไม่ไหวก็เอาอะไรมาอุดหูเอาไม่ให้ไม่ได้ยิน <c oughs> นั่นก็คือวิธีแก้แก้ได้หลา ย, ลายอย่างเนี่ยินามิทะนี่มันก็ความเคลือบเคลิ่มส่วนมากก็จะเป็นช่วงเราเพลียอดรับอดนอ น, น่สติอ่อนสัมปชัญญะก็ อ, อนน่อนลักษณะนี้ท่านก็ให้ดูกำลังของตนเองนกันะ กำลังของร่างกายกับกิเลสมันก็มีแยกกันอยู่เหมือนกันนะอันหนึ่งมันเป็นกิเลสอันหนึ่งร่างกายมันก็แยกแยะเพราะว่าพระเจ้าแม้ท่านจะสอนอุบายแกนิวรณ์ข้อ น, อนี้แต่ถ้ามันไม่ไหวสุดท้ายท่านก็ให้ร่างกายเหมือนกันวันที่ท่านบอกพโมคะลานะหาอุบายให้ได้หลายอย่างเนี่ยถ้านั่งว่วงก็เดินซะ เดินถ้าเดินมันยังง่วงอยู่ก็เอาน้ำเย็นๆมารูปหน้านะรูปหน้ารูปตานะี่แงนดูฟ้ า, เ, าเปลี่ยนนิรยาบทนะี่แงนดูเดือนดูดาวแล้วก็สร้างสัญญาเปลี่ยนสัญญากลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันนะนะก็เอาทุกอย่างนะนะเมื่อเอาไม่ได้นะ้วอ้าวถ้าไม่ไหวไปนอนซะน่าจะพูดนีนะ แต่นอนให้รีบตื่นหน่อยเท่านั้นแหละอย่านอนตามกิเลสตามความอยากนะถ้าร่างกายมันพัก ม, มันอยากจะพักจริงๆก็พักแล้วมันก็สบายเนยเหมือนเราเพียมากมากๆนยได้นอนสัก1ิบนาทีย0สนาทีก็รู้สึกมันทำให้ผ่อนคลายสบายขึ้นอย่างงี้นี่ก็คือวิธีแก้อันหนึง่งเนมันมีปฏิปักษ์ต่อกันอยอะอ่ ความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านรำคาญเจริญสมาธิให้มากๆแผ่เมตตาให้เยอะๆนะแต่บางที่บางแห่งอัตถกาถาท่านก็ก็คือการจเจริญสมาธิดั่นแหละท่านบอกว่าให้เพ่งกะสินเพ่งกรสินเราไม่ได้เรียนกสินหรอกเรามาจเจริญจิตจเจริญจิตให้มี บริกรรมภาวนาให้มั่นในสิ่งที่บริกรรมภาวนาไม่ต้องใส่ใจข้างนอกมากนะถ้ามันมาเยอะก็ว่าเร็วๆหน่อยถ้ามันสู้ไม่ได้ก็เสียงดังๆหน่อยก็ได้แต่ไปทําอยู่คนเดียวนะทำอยู่ได้หลายคนไม่ไหวเดี๋ยวก็าลำา่ำคานบางคนก็เดี๋ยวพูดโทพูดโทพูดโทเหมือนก็ บ, บ้าเลยเหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นมันเข้ามามันเข้ามามาแรงก็ใส่มันแรงก็ว่า บางครั้งมก็เป็นนะว่าถ้าเวลามันคับขันเข้ามาบางครั้งนี่มันจำเป็นจะต้องใช้อย่างนั้นนะบางทีมันต้องเร็วือนกันบริกรรมเร็วเท่ากับจังหวะที่มันเข้ามาจังหวะของกิเลสที่มันเข้ามามันก็ต้องเร็วืันกันมันตามกันไปแต่งานมันก็ไม่ทันไม่ทันมัน อ่านั่นก็เป็นวิธีก็แล้วแต่อุบายแต่และคนท่านให้หลักๆเอาไว้เนอ่าแล้วเราก็ไปปฏิบัติไปภาวนาพิจารณาดูนะ mm. ธีวิจิฉาความสงสัยเนี่ยความสงสัยอันนี้ท่านบอกว่าให้แก้ด้วยการเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ่เนี่ยถ้าอย่างนั้นมันก็จะสงสัยนย สงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยในพระธรรมเนี่ยโดยเฉพาะพระธรรมนี่ก็พิจารณาเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยสงสัยสงสัยให้ศึกษาถ้าพูดภาษาเรายัางไงนะเนี่ยสงสัยแล้วไม่ศึกษามันก็สงสัยอยู่เรื่อยไปเนี่ยความสงสัยเนี่ยมันไม่ได้หายเนี่ยเพราะคนอื่นบอกคนอื่นบอกไม่ได้หายสงสัย แต่ปัญหาสงสัยเพราะเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นจริงๆด้วยตัวเราเอง <_ volcanoes> แม้ใครจะบอกยังไงมันก็สงสัยอยู่ น, นั่นแหละถ้าศึกษาด้วยตนเองแล้วเราจะรู้ว่าโอ้ความสงสัยต่างๆก็หมดไปดบางคนสงสัยก็ปฏิเสธไปในตัวก็ยังไม่รู้ใหญ่ก็ยังสงสัยไม่รู้จกัจกจบ น, นก็เป็นลักษณะของ กิเลสหรือนิวรณ์เนี่ยได้ว่าถ้าข้ามมันได้อะไรมันได้รือาโอมันก็อยู่เป็นสุขเนี่ยตั้งปัจจุบันและอนาคตเนี่ยนี่ก็เป็นหัวข้อหนึ่งเนี่ย